ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องบทแผ่เมตตาขันธะปริตตชาดกโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27พฤษภาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบาบัดนี้ค่ะ ฟังชาดกอีกสักเรื่องหนึ่งชาดกเรื่องนี้กางชื่อว่าบทแผ่เมตตาขันทะปริตะชาดกเรื่องของบทแผ่เมตตาเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆโดยเฉพาะ บทว่างไงสัพเพสัตตาเดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟังนะบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหตุจนเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานาังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินนเราจะได้ยินบทแผ่เมตตาเนี่ยบ่อยๆเป็นประจำประจำ เพราะนั้นวันนี้ลองฟังและอันเนี้ยก็เป็นที่มาของคำอ้างที่เขาเอามาอ้างว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แผ่เมตตานะโดยโดยเอาบททํานองพวกเนี้ยนะเอามาใช้ฟังดูแล้วกันสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินธิกะเศรษฐี ใกล้พนครสาวัตถีในสมัยนั้นเองมีภิกษุรูปหนึ่งไปผ่าพื้นอยู่ที่ประตูเรือนไฟเข้าใจคำว่าเรือนไฟัหมหมายถึงอะไรนะอ๋ะอนี่หมายถึงครัวเรือนไฟหมายถึงอะไระตามที่เราเข้าใจเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยภิกษุรูปหนึ่งไปผ่าพื้นอยู่ ใกล้ประตูเรือนไฟมีผู้เดาว่าหมายถึงใกล้โรงครัวเอ้ิกษูนี่จะใกล้กับโรงครัวแล้ว <c oughs> เอะมันมันน่าจะใกล้กันหรือเปล่าฮะอ้พูดอย่างนี้นี่เหมือนปิกษุกูไปหุงต้มนะ <c oughs> ทำกับข้าวกับแกงแต่เรานึกดูตามสภาพความเป็นจริงจะใช่ไหมปิกษูเนี่ยห้ามจุดไฟเองนะ วินัยมีนะเนี่ยไปจุดไฟผิงอะไรอย่างเงี้ยนะผิงไฟอะไรยังไม่ได้เลยมีบัญญัติห้ามมาไว้แต่จุดจุดเพื่อที่ไออะไรนะเป็นแสงสว่างเอาเอาไว้ อ, อ่านหนังสือหรือว่าทํางานทําการอะไรอันนั้นจุดได้แต่จะมาจุดทํากับข้าวจุด <c oughs> นะอากาศหนาวจุดมา พิงไฟให้เย็นเย็นอะไรไม่ได้ทังนั้นหรือว่าจะจุดอะไรกีกจุดอะไรที่ที่มันไม่เกี่ยวกับเป็นแสงสว่างที่ใช้เดินทางหรือว่าใช้ส่องทางอะไรพวกนี้จุดทำอะไรอีกเอาทครัวไปแล้วอเออจะไปจุดเผาย่าเผาใบไม้อะไรเงี้ยไม่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นที่เดาว่าเรือนไฟเนี่ย คงคงจะไม่ค่อยเข้าแก๊บสักเท่าไหร่เอาให้ดาวอีกเคยพูดไปแล้วหลายทีแล้วด้วยใน เ, เรื่องคําว่าเรือนไฟเนี่ยฮะเรือนเอ๊ไม่เข้าใจคําว่าเรือนหรอบ้านเรือนเนี่ยเออก็ต้องเป็นโรงเป็นห้องหับเป็นอะไรละ่ะเรือนแต่นี่มันมีไฟสแสดงจริงๆเลยเนี่ยอาตมาก็ มักจะชอบถามพวกเราเนี่ยนะเพราะว่ารู้สึกว่าหลายคนก็ขยันมาฟังธรรมดีะนะคือขยันมาฟังธรรมเป็นประจำประจำนะแต่นี่ลองถามดูว่าไอ้ประจำประจำเนี่ยจําหรือเปล่า <c oughs> แม่ปรากฏว่าไม่ค่อยจําเลยนะ <c oughs> นึกไม่ออกเลยเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ย อโอ้ยังดีนี่ยโยมยังอานดึกออกหนึ่งหนึ่งลายเคยพูดไปแล้วเรือนไฟเนี่ยสมัยก่อนนะเขาหมายถึงว่าอย่างเช่นบางทีเนี่ยจะมีไงพวกเราจำเรื่องราวไม่ได้แล้วเหรอที่หมอชีว ก, กะโกมรพัฒเนี่ยเห็นภิกษุเนี่ยมีการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็เลยขอผู้เจ้าว่าขอ ขอให้รักษาคือขอเป็นหมอรักษาให้แล้วก็เนี่ยขอเรือนไฟไปด้วยเพื่อที่จะเอาไว้รักษาภิกษุทั้งหลายด้วยวันเรือนไฟในยุคปัจจุบันนี้ก็หมายถึงประเภทนะเออโรงอบยาหรือว่าสมุนไพรหรืออะไรพวกนี้แหละเรือนไฟถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่รู้ละคุณจะซาวน้าหรือซาวอะไรก็แล้วแต่ นะเอาางกฏว่าเนี่ยภิกษุเนี่ยพาฟืนอยู่ข้างๆเรือนไฟรากฏมีงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากไม้ผุได้กัดเข้าที่เท้าของภิกษุนั้นไม่ทันที่จะพาไปรักษาภิกษุนั้นก็มรณภาพเสียก่อนเรื่องนี้จึงเป็นที่สนทนากันไปทั่วของภิกษุทั้งหลายในธรรมสภาพระศาสดาเสด็จมาได้ทรงฟังเรื่องแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแสดงว่าภิกษุนั้นฉรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้งสี่เป็นแน่เพราะถ้าแผ่เมตตาจิตไปยังงูนั้นก็จะไม่ถูกงูนั้นกัดถึงแก่มรณภาพเลยแม้ในโบราณการเราดาบททั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิตก็จเจริญเมตตาแก่งูทั้งหลายจนได้อยู่ อย่างปลอดภัยมาแล้วแล้วทรงนําเรื่องเก่าก่อนนั้นมาตรัสเล่านะก็ต้นเลื่อนรู้ละภิกษุตายไปนหนึ่งรูปเพราะโดนงูกัดนะรักษาไม่ทันเสร็จพระเจ้าท่านก็เลยบอกให้ฟังว่าเนี่ยแสดงว่าไม่ได้แผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายนะโดนงูกัดท่านก็หมายถึงว่าก็ไม่จะแผ่เมตตาให้งูเพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยโดนงูกัดตาย แล้วท่านก็เลยเล่าย้อนว่าสมัยโบราณเนี่ยมีมาแล้วนะเนี่ยแผ่เมตตาแล้วก็เลยรอดปลอดภัยอ่าตอนนี้ฟังดูเรื่องชาดกในอดีตการมีมานบคนหนึ่งกําเนิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ในแคว้นกาสีเขาเบื่อในชีวิตที่เสพสุขสนุกสนานทางโลกีจึงสละกา ม, มาสุขแล้วออกบวชเป็นดาบทคงจะเข้าใจคาว่าดาบทนะ ดาบทก็หมายถึงประเภทพวกพวกฤอสีพวกแรงต่างเนี่ยนะทำนองเดียวกันแต่บางคนนี่ไม่เข้าใจนะคำว่าดาบทาดาบทก็แบบฤาษีแต่บอกฤาษีนี่คุณนึกออกเลยใช่ไหมเพราะคำว่าฤาษีนี่คุ้นกว่าดาบทนี่เราชักไม่ค่อยคุ้นละนะแต่ประเภทเดียวกันทำนองเดียวกันนะออกบทเป็นดาบทอาศัยอยู่ที่อาสม ริมคุองน้ำแห่งหนึ่งในป่าหิมพานภาคเพียรฝึกฝนตะบะอ่าตะบะแบบแบบฤาษีเนี่ยนะหรือตะบะแบบพวกดาบทไม่ใช่ตะบะแบบของพุทธนะมันตะบะแบบของพวกฤาษีพวกที่เขาบาเพ็ญพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยตะบะมักจะเป็นตะบะพวกบางทีทรมานตายพวกนี้จะเยอะอย่างเช่นยืนขาเดียวบั่งนะ กินข้าวอะไรอ่ะเหมือนเหมือนสุนัขอ่ะอหรือไม่ก็เอาเอาฝังดินเลยเหร อ, เอหรือแทวหัวเลยละแหมหนักนัก่นเอาหนักเอาเอายิ่งหนักใหญ่เลยเอหัวฝังดินก็ตายทำเป็นนกกระจอกเทศไม่ ไ, ได้ก็มีแต่ตายแน่นะ เอาหัวฝังดินอันนั้นต้องต้องฝึกแบบโยคะต้องฝึกเรื่องการหายใจด้วยเอาเขามีจริงๆฝังไว้แค่คอแล้วเอาตัวโผล่ขึ้นมานะเอาพวกเราคงพอเข้าใจเนะี่ยเพราะนนัต้ตบะในที่นี้ก็เป็นตะบะพวกฤอษีดาบทซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอัตตะกิลมัฐานุโยกนะเป็นเป็นทรมานตัวเองซะส่วนใหญ่เพราะมีความเข้าใจว่า การทรมานตัวเองเนี่แหลาจะทําให้ค้นทุกข์ในความคิดของเขานะทาให้พ้นทุกข์หรือว่าถ้าเป็นเชื่อมั่นในอะไรอ่ะพระเจ้าหรือเทพพระเจ้าอะไรเนี่ยก็เชื่อมั่นมานี่แหละจะเข้าถึงเทพเจ้ายังเป็นอัตตานะความเชื่อมั่นนี้ยังเป็นอัตตาเป็นตัวตนอยู่เชื่อว่าถ้าทรมานตัวเองอย่างนี้แหละยิ่งลําบากยิ่งลําบนนี่แหละแั่นะะเดี๋ยว เทพเดี๋ยวอะไรก็จะจะให้พรจะประสิทธิ์ประสาทพรให้แล้วก็จะมีฤทธิ์มีเดชนะมีความพ้นทุกมีความอยู่ยงคงกระพันอะไรก็แล้วแต่เขานะอ้าเนี่ยภาคเพียมฝึกฝนตะบะได้รับความสงบในฌานเพลิดเพลินอยู่ในฌานเสมอถ้าเป็นฌานลือสีเราก็รู้แล้วนะฌานลือสีนี่เป็นไง ชั้ น, นชั้นสชั้นาชั้น ส, นสี่แบบลือสีเนี่ยบเพ็ญเพียรชั้นแบบลสีชั้นที่หนึ่งว่ายงไงทบทวนลทบทวนแล้วเพิ่งมาจากงานูกพุพทธาก็แล้วลูกเศษก็แล้วชั้นที่หนึ่งฮะชั้นที่หนึ่งโอ้โหไปโน่นเลยขึ้นอาคาสาเลยเหรอ อาคาสามันชาตที่ห้าไปนู่นแล้วชาติที่หนึ่งมีวิตกวิจารปิตีสุขเอกคตานะเพราะฉะนั้นชาติที่หนึ่งอย่างของฤาษีเนี่ยวิตกวิจารอย่างของเขาก็คือเลิกคิดมีเรื่องอะไรวุ่นวุน่ยุ่งยุงมาเลิกคิดไม่ต้องคิดนะผักออกไปให้หมดคือจะได้ไม่ต้องมีวิตกวิจารมันจะ มีเรื่องอะไรให้เราทุกๆกุ้มๆเข้ามาเนี่ยในสมองเราถลักทิ้งลูกเดียวไม่เอาไม่ต้องคิดวันฌานที่หนึ่งอย่างของฤาษีก็พูดง่ายๆว่าผักทิ้งอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเพราะฉะนั้นไวนะถ้าใครทําได้เนี่ยอย่างของฤาษีอย่างเนี้ยผักทิ้งเลยไม่ต้องที่อะไรเลยเพราะฉนั้นก็จะได้ได้ปิติได้สุขได้เอกะขะตาจิตเนี่ยไวเพราะา ถ้าทำอย่างนี้ได้ชั้นที่หนึ่งปั๊บไปเลยชั้นที่สองเลยเพราะไม่ไม่มีวิตกวิจารณ์เลยขึ้นเลยขึ้นชั้นที่สองทันทีเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งพวกนี้อีกนะทิ้งปิติทิ้งสุขทิ้งอะไรก็นู่นเข้าอุเบกขาไปเลยนะไปถึงชั้นที่สี่เข้าอุเบกขานี่ก็ป่วยง่ายเพราะขาวนี้ก็กล่มเลยอยู่ในภพอยู่ในภวะตันหาอยู่ในภวะภพเลย อยู่ในภพของจิตเลยคนนี้ฤาษีก็สบายแล้วเพราะฉะนั้นที่เข้าฌานอย่างของฤาษีเนี่ยสงบอยู่ในฌานก็คือไม่ต้องมีความคิดอะไรลนะสบายหน้าจิตไม่ต้องนึกไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องหนาวร้อนอะไรทั้งสิ้นคนฤาษีนี่นั่งกลมได้สบายเลยแล้วก็สบา ย, ยาจริงๆด้วยนะนะฌานฌานอย่างของฤาษีก็สบายแบบของฤาษีแต่สบายแบบเดี๋ยวพอหมดหมดกําลังกดข่ม หรือว่ากดข่มความคิดเอาไว้แล้วเนี่ยหมดกําลังเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ความคิดก็ขึ้นมาใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตาบใดยังไม่ตายเนี่ยมันหยุดคิดได้ไหมคนเราเนี่ยจะเลิกทิ้งความคิดเลยได้ไหมมันไม่ได้หรอกยังไงเดี๋ยวก็ต้องคิดนะไม่กินไปนานๆข้าเอาอดไปได้สักกี่วั น, นะนเนี่ยเอาดข้าวอดน้ําเนี่ยอดได้สักกี่วันเน่ะเขามีเขามีามทํามาตั้งกี่วันนะ เขาเคยลงหนังสือพิมพ์อดข้าวอะไรพวกนี้รู้สึกได้ตั้งห้าสิบกว่าวันเลยแต่อดน้นํานี่น้อยวันกว่าอดน้ํานี่ยากกว่า อ, อดน้ําเนี่ยไม่รู้แต่กี่วันนะเป็นสิบวันยี่สิบวันหรือไงจําไม่ได้แล้วนะแต่เนี่ยโโหเขาก็โอดได้จริงๆเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ําอะไรเลยทนทนมากๆเลยแล้วก็ ไม่ต้องคิดถึงความหิวเลยนะแม้แต่สรีระร่างกายเนี่ยมันจะหิวอะไรนี่ไม่คิดเลยก็พยายามตัดทิ้งหมดเลยเพราะมันเหลือแต่อยู่ในพบของจิตจริงๆเลยมันพวกนี้เก่งพวกฤาษีเนี่ยอดทนอดกั้นอะไรนี่เก่งมากเลยแล้วมันใครเนี่ยเป็นสายฤาษีพวกนี้อึดพวกนี้ทนน่าแต่จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญญาเพราะว่าอะไรเพราะไม่ยอมใช้ปัญญา ที่ไม่มีปัญญาเพราะไม่ไม่ยอมใช้ปัญญาเลยมีแต่จะดับทิ้งพอพอความคิดจะขึ้นมาเนี่ยดับทิ้งไม่ต้องคิดความคิดจะขึ้นมาดับทิ้งไม่ต้องคิดอา้าวเราจะไปเอาปัญญาที่ไหนอะ่ะไม่มีการคิดพิจารณาอะไรเลยเนี่ยวันก็สบายอยู่อย่างนั้นก็มีแต่ความว่างๆอยู่อย่างนั้นแบบของดูสีวันชายแบบของดูสีเนี่ยเขากเกษเสบายแบบนี้เขาเรียกว่าอยู่ในภวะตัณหา คือจะอยู่ในการเสพสบายมีความสุขในภาวะพบของตัวเองบางที่ตกอยู่ในภาวะนั้นแหละอยู่ในภาวะของตัวเองอย่างนั้นแหละภาวะที่มันโล่งๆว่างๆสบายๆนะแต่ในที่สุดเดี๋ยวหิวนะขึ้นมามันก็ต้องมาหาอะไรกินทําถ้าไม่ไม่ไม่ไม่แบบจะฆ่าตัวตายซะนะมันก็ต้องหิวเดี๋ยวมันก็ต้องมากินต้องมาอะไรก็ต้องคิดแล้วะจะไปเอาอะไรกินเ่ย ว่ามันหนีไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องคิดหรือถ้ามันสรีละมันไ ม, ไม่ไหวจริงๆนะด้วยง่ายจะต้องปสัสสาวะจะต้องอุจจาระจะต้องขับถ่ายอะไรเอ้ามันก็ต้องคิดแล้วเดี๋ยวก็จะต้องไปไปไหนอ่ะก็ต้องไปหาห้องน้ําหรือว่าไปเข้าป่าหรือว่าอะไรก็ต้องคิดเพราะนั้นเนี่ยมันจะดับความคิดไปเลยนะเข้าถึงแบบว่าสูงสุดของเขาเนี่ยถ้าทําไล่ไปเรื่อยๆ แม้แต่นิดน้อยหนึ่งของความคิดไม่ต้องให้มีนะจะมาลำมานเลืองเนวสัญญานาะสัญญาไม่เอาเอ า, เอาทิ้งหมดเลยให้ไปเป็ น, ปนแบบสัญญาเบทาญิตานิโรธก็คือว่าดับความคิดทิ้งได้เลยก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่สังขารร่างกายยังเต้นหัวใจยังเต้นตุบตุ บ, ต บ, ตบอยู่นะแต่ถ้านน่ะมันก็เท่าที่จะอดไวได้เก่ง อาก็คุณใช้แบบไหนก็บอกแล้วว่าคุณใช้แบบพูดีิคุณอย่าไปคุณไม่ต้องไปใช้แบบลือสีคุณใช้แบบลือสีเดี๋ยว ค, คุณทํางานไปเดี๋ยวก็หยิบผูกก็ได้เองแล้ว <c oughs> มันต้องมีสติด้วยอะ่ะใช่ไหมละ่ะถ้าเป็นฌานของพูดเนี่ยต้องมีสติด้วยเพราะฌานของพูดเนี่ยทํางานไปด้วยนเนี่ยเนี่ยใครมีฌานแบบของพูดเนี่ยทํางานไปด้วยแล้วก็มีฌานไปด้วยแต่ถ้าเป็นแบบฤือสีนี่เขาไม่ทําอะไรอย่างอื่นเพราะเขาพยายามไม่ต้องปรุงไม่ต้องคิดอะไรเนี่ย เพราะถ้าปุ่มตะคิดมันก็ต้องมีแล้วมันมีผัสสะเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะเกิดขึ้นก็ต้องมีเวทนาต่างๆเกิดขึ้นถูกไหมเวทนาก็คือมันต้องมีสุขมีทุกข์มีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนคุณจะผัสสะอะไรแบบอทุกข์ขมสุขอยู่เรื่อยนะคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเลยโอ้ยยากอะแค่เนี่ยบางทีอากาศเย็นมั่งเจอฝนมั่งหรือว่าอากาศร้อนเจอแดดมั่งคุณก็รู้สึกแล้ว ว่าเอ็นี่มันทุกข์หรือว่ามันสุขเพมันเวทนาต้องเกิดแน่นอนก็แม่ใจคำว่าสมถะก็เธอสมถะก็ต้องสมถะแบบพุทธสิอย่าไปสมถะแบบลือศีถ้าทำสมถะแบบลือศีนี่มันกดข่มไว้เฉยๆอา่าไม่ฉลาดหรอกก็โง่อยู่อย่างนั้นแน่โง่กับคนที่โดนเรียกว่าโง่ไงนะ โง่กว่าคนที่โดนเรียกว่าโง่เพราะคนที่โดนโลกเรียกว่างโง่เนี่ยมันยังคิดบ้างนะมันยังคิดมันยังทําอะไรใช่ไหมแต่มันทําอาจจะไม่เก่งบ้างอะไรบ้างแต่พวกลูซี่นี่มันมันยิ่งกว่าคนโง่อเพราะว่ามันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันมันอะไรนะไอคอะไรมันก็ไม่มีเลยทีเพราะมันมันเล่นดับความคิดทิ้งเลยอ่าเพราะว่นมันมันแย่ยิ่งกว่าอิวสูงเลย ไอคิวศูนย์เลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่คิดอะไรเลยเนี่ยมันจะมันจะไป ม, มีระดับไอสมองได้ยังไงไอสติปัญญาได้ยังไงเพราะว่าไอคิวนี่มันเป็นเครื่องวัดระดับสติปัญญาใช่ไหมอ่าเพราะว่านี่มันดับทิ้งอะมันดับสติปัญญาที่จะคิดทิ้งเพราะว่าไอคิวศูนย์เลยเนี่ยถ้างโงก่กว่านี้ก็ติดลบ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นให้ให้เราเข้าใจเนี่ยชาญแบบของหรือสีนะเพราะนั้น อย่าไปฝึกแบบฤาษีเลยนะพยายามถ้าเป็นไปได้มาฝึกแบบฌานของพุทธเนี่ยเราสามารถมีประโยชน์ทํางานทําการก็ได้ทําอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยแต่จิตคุณนิ่งได้จิตคุณสงบได้อ่า น, นี่ปรากฏว่านะไปบวชเป็นดาบทแล้วก็บําเพ็ญเนี่ยจนมีตาบะมีฌานและไม่ช้านานนะักจึงมีผู้คนมาเคารพกราบไหว้มอบตัวเป็นสิทธ บวชตามเป็นดาบทจำนวนมากพระดาบทจึงกลายเป็นอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายอยู่ที่อาสมริมฝั่งแม่น้านั้นณที่ฝั่งแม่น้านั่นเองบีงูหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันจินมักจะฉกกดทําอันตรายแกเราดาบทเสมอดาบทจํานวนไม่น้อยที่ต้องถึงแกมรณะภาพไป ดังนั้นพระดาบทผู้เป็นอาจารย์จึงเรียกพวกดาบททั้งหมดให้มาประชุมร่วมกันแล้วบอกสอนว่าเรางูทั้งหลายจะไม่ฉกกัดพวกท่านเลยถ้าพวกท่านพึงเจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้งสี่ฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไปพวกท่านจงแผ่เมตตาดังนี้เถิดแล้วจึงกล่าวบทแผ่เมตตาด้วยคาถาดังนี้ว่า ไม่ตีจิตจงเป็นมิตรไม่ตีจิตความเป็นมิตรของเราจงมีแก่ตระกูลพญางูทั้งหลายชื่อวิรูปขะเราเราฟังประโยคแรกนี้ก่อนนะบอกว่าไม่ตีจิตความเป็นมิตรของเราเนี่ยจงมีแก่พญางูทั้งหลายไม่รู้่จะตระกูลอะไรก็ตามอันนี้ตระกูลแรกคือวิรูปกขะ นะหมายถึงว่าในที่นี้เขาแบ่งประเภทของงูไว้4ประเภทนะเพราะว่าตระกูลนี้นะตระกูลนี้ก็บอกว่าเนี่ยไม่ตีจิตความเป็นมิรมะตรของเราจงมีแก่ตระกูลพญางูนี้ไม่ตีจิตความเป็นมิตรของเราจงมีแก่ตระกูลพญางูเอราปถะนะแล้วก็ฉับพยาปุตตะแล้วก็กันหาโคตมะอ่ะโค โคตมะพระนะอันนี้เป็นชื่อประเภทของตระกูลงูสี่ประเภทแต่ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันก็คือว่าไม่ตีจิตความเป็นมิตรของเราจงมีแก่พญางูทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาอย่างแรกเนี่ยคือเอาอะไรเมตตานี่แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าอะไรคำว่าเมตตา ในพมวิหารสี่เนี่ยเมตตาเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยเขาแปลว่อาอย่างไงอ่าก็คือการที่มีจิตใช่ไหมมีจิตที่ปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะหวังดีกับคนอื่นเขาเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยไมตรีจิตความเป็นมิตรของเราจงมีแก่ผู้อื่นเนี่ยก็หมายถึงว่าดูซิเนี่ยเราเราให้จิตที่ดีด จิตที่เราเนี่ยจะต้องการเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะเป็นอะไรอ่ะเป็นการเอื้อเฟื้อเป็นการเผืแผ่เนี่ยคือต้องให้เขาก่อนแผ่เมตตาเนี่ยต้องให้เขาก่อนแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเรามักจะแผ่เมตตาแบบไหนส่วนใหญ่เนี่ยทั่วไปอ่ะหรือเราเองอาตมาเองก็เคยมาแล้วอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแผ่เมตตานี่มักจะแผ่แผ่อะไร เออส่วนใหญ่แผ่เมตตาเนี่ยคือขอให้นั่นขอให้นี่เนี่ยอย่ามาเบียดเบียนเราเลยนะนะขอให้เราอยู่รอดปลอดภัยอะไรนะเราแผ่เมตตาเนี่ยคือแผ่อย่างเนี้อยู่เรื่อยเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีจิตที่จะคิดว่าเรามีดีอะไรนะหรือว่าสมมติว่าเรามีทรัพย์หรือว่าเรามีสติปัญญาเรามีอะไรแล้วเราเนี่ยจะช่วยคนอื่นเขานั่นแหละ ถ้าแผแ่เมตตามันต้องมันต้องเริ่มด้วยอย่างนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นคือเราควรจะมีดีอะไรให้คนอื่นเขาก่อนคือพูด ง, ง่ายๆว่าเราเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนใครเขาก่อนนะพูดพูด ง, ง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยการแผแ่เมตตาที่ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นเริ่มด้วยอันนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่แม้แต่เราได้ได้เห็นหรือเราได้ยินได้ฟังที่เขาแผแ่เมตากันแผแ่เมตากัน ไปดูเถอะส่วนใหญ่เนี่ยที่แผลแผลแลแผแผเนี่ยบางทีแผลเนี่ยอะไรอะ่ะขอให้เราอยู่รอดปลอดภัยอยู่เรื่อยอะ่ะโดยที่ไม่ได้มีความคิดสัเท่าไหร่หรอกที่จะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไม่ไปทําร้ายคนอื่นเขาแต่มักจะมาลงเออจงว่าอย่ามาเบียดเบียนเราเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นหลักแต่คนอื่นจะเป็นยังไงบางทีไม่ค่อยไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเยอะเลยที่พวกที่แผล บ, บทเมตตา เนี่ยสพเพสตสตาเวลาโหตุอะไรเนี่ยนะส่วนใหญ่ที่แผลไปแล้วไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะเรายกตัวอย่างกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นแผลว่าเออสัตว์โลกทั้งหลายนะเป็นเพื่อนกลียย่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอะไรอย่ามาเบียดเบียนกันเถอดอะไรเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคนนั้นเนี่ยในชีวิตประจําวันโอ้โหฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เอานะบางที จะโกงจะอะไรคนอื่นเขาทํายิ่งถึงขั้นบางทีเนี่ยไปฆ่าฆ่าแกงเขาเลยด้วยซ้ำไปน้วจะฆ่าคนก็ตามฆ่าสัตว์ก็ตามหรือบางทีตัวเองไม่ฆ่าเองแต่ก็จ้างคนอื่นเขาหรือบอกให้คนอื่นเขาเนี่ยเบียดเบียนมานะแล้วเราก็อย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเอาไปฆ่าเป็ดมาทีฆ่าไก่มาทีฆ่าปลาปูกุ้งหอยอะไรนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปซื้อเอามากินอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เป็นตัวที่จ้างเขาให้เขาทํำมามันจะแผ่เมตายังไงเนี่ยไม่เกิดผลไม่เกิดผลเพราะอะไรเพราะว่าแผ่ไปเนี่ยแผ่แ ผ, แผ่แผ่โดยเป้าเห็นแก่ตัวของตัวเองไม่ได้แผ่ไปเพื่อที่จะให้ให้คนอื่นเขาเนี่ยมีความสุขเพื่อง่ายแผ่อย่างนี้มันแผ่แบบว่าขอให้ตัวเองมีความสุขเนี่ย แต่ไม่ได้คำนึงว่าคนอื่นเขาจะทุกข์ยังไงเพราะบทแผ่เมตตาแบบนี้อันตรายเพราะไม่เพียงแต่ไม่เกิดผลในทางเมตตาจริงๆเท่านั้นคือถ้าเมตตาจริงๆจะต้องเกิดความสุขด้วยกันร่วมกันอยู่กันเป็นผาสุขแต่ถ้าแผ่เมตตาแบบที่บอกมานี่ยิ่งแผ่เท่าไหร่ยิ่งแผ่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหตัวเองยิ่งสุขนะแต่คนอื่นเนี่ยยิ่งเจ็บหรือว่ายิ่งตายมากขึ้นเรื่อยๆ ไอ้อยังงี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่บทแผ่เมตตาที่ถูกต้องต่อให้บทนั่นอนะ่ะอ่านมาหรือว่าท่องมาสวดมาสวยหรูออยังไงก็ตามแต่แลนะวมันแผ่เมตตาก็ต้องแผ่เมตตาจริงๆนะก็ปรารถนาหวังว่าคนอื่นเนี่ยเออนะจะช่วยเหลือคนอื่นเขาเพราพอพูดอย่างนี้เสร็จปั๊บใช่ไหมเอาบทนี้ยังไม่จบยังมีต่อมาว่าไม่ติจิตความเป็นมิตรของเราจงมีแก่สัตว์ทั้งหลาย ที่ไม่มีเท้าสัตว์ไม่มีเท้าอยาได้เบียดเบียนเราเนี่ยเขานี้ถึงจะเริ่มแล้อันนี้คุมหมดเลยไม่ใช่แค่งูแลยนะสประโยคแรกเนี่ยเออบอกว่าไม่ตีจิตความเป็นมิตรของเราจงมีแก่ตระกูลพญางูนะงูอะไรบ้างอะ่ะสี่ตระกูลใช่ไหมเนี่ยพญางูทั้งหลายเนี่ยแหละเสร็จ ต, ตอนนี้เนี่ยแผ่เมตตามไม่ใช่แค่งูแล้วสัตว์ทั้งหลายเลย นะไม่มีเท้าก็ตามสัตว์สองเท้าก็ตามสัตว์สี่เท้าก็ตามนะสัตว์มีมากกว่าสี่เท้าก็ตามนะทั้งหมดเนี่ยบอกว่าเนี่ยไม่ตีจิตความเป็นมิตรของเราเนี่ยจงมีแก่สัตว์ทั้งหลายพวกนี้นะแล้วก็พอเราแผลไปอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วถึงจะสัตว์เหล่านี้แหละนะก็อย่าได้มาเบียบเบียนเราด้วยเลยว่ามันเหมือนกับ เ ร, เราอยากจะให้คนอื่นยิ้มให้เราเนี่ยเราอยากจะให้คนอื่นยิ้มให้เราเราน่าจะยิ้มให้คนอื่นก่อนมันเหมือนกับอย่างนี้แหละนะสมมติว <m> ่าเราเราเราเราตั้งจิตปาถนานะเราสวดมนจะท่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เขายิ้มให้เราขอให้เขายิ้มให้เราเราก็ท่องอยู่อย่างเงี้ยแต่เราเจอใครเนี่ยนะเราโอ้โหไม่ไม่เคยยิ้มให้ใครเลยไม่เพียงจะไม่ยิ้มมายังจะ หน้าตุย้ยตุ้ยให้เขาอีกด้วยไม่เพียงแต่ไม่ยิ้มอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรของอย่างผู้เจ้าที่ท่านตัดสอนมาเป็นชาดกเนี่ยท่านถึงบอกว่าไม่รู้แหละใครจะยังไงก็ช่างแต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่ออยากให้คนอื่นยิ้มให้เราเนี่ยเราต้องยิ้มให้ให้เขาก่อนเพราะเมตตาถ้าถ้าถือว่าเมตตาเป็นเป็นรอยยิ้มนี่ยนะเพราะฉะั้นก็จะต้องสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าของเราเนี่ยก่อน นะทำให้คนอื่นเขาก่อนให้คนอื่นเห็นว่าเราเนี่ยมีรอยยิ้มเราเนี่ยมีเมตตาแล้วเราทำอย่างนี้แหละนะมันถึงจะแบบว่าอ้ากรรมเป็นอันรรใช่ไหมทำดีก็ได้ดีเพราะนั้นถ้าเรามีเมตตาให้คนอื่นนี่แหละถึงจะมีเมตตาตอบมาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะมีเมตตาฟรีๆ